มีอานิสงส์มากกว่าบินทบาทคราวอื่นๆยิ่งนักกล่าวคือบินทบาทที่ตถาคตบริโภคแล้วตรัสรุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและบินทบาทที่ตถาคตบริโภคแล้วปรินิพานด้วยอนุ ป, ปา ท, ทิเศ ส, สนิพานทาตุในอัตถกถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยบินทบาทที่นางสุชาดาถวายแล้ว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 คือเน้นการกระทาอันได้แก่การบรรุภาวะมากกว่าจะเน้นตัวภาวะนั่นเองวิวัฒนาการอันเด่นชัดที่ทำให้ความหมายของนิพานสองเน้นมาที่การกระทาหรือเหตุการณ์มากขึ้นก็คือการบัญญัติคำว่ากิเลสปรินิพานและขันธะปรินิพานขึ้นใช้และกาหนดให้กิเลสปรินิพานเป็นความหมายของสอัปาทิเศ ส, สนิพานพร้อมกับ ให้ขันตะปรินิพานเป็นความหมายของอนุปาทิเศ ส, สนิพานอย่างไรก็ดีพึงเข้าใจว่าแม้โดยทั่วไปจะเน้นเช่นนั้นแต่อัรถกถาและดีกาก็ตรักอยู่เสมอถึงความหมายของสอุปาทิเสสนิพานในแง่ที่เป็นภาวะดังข้อความที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในสอุปาทิเสสนิพานธา จากยังพระอัตภาพให้เป็นไปทรงดำเนินพระชนชีพเพื่อบรเพ็์ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายจึงจักทรงอยู่ด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารจนกว่าจะทรงบรรลุอนุปาทิเสสนิ พ, พานธาตุพระอรหันต์ทั้งหลายดับไฟราคะเป็นต้นหมดสิน้นด้วยอรหัตมรรคแล้วดำรงอยู่ในสัพปาทิเสสนิ พ, พานธาตุมีปัญญาไม่เฉื่อยชาทั้งคืนวัน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 ทำให้ความหมายของอนุปาทิเศสนิพานจําเพาะเจาะจงลงไปที่การสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อย่างชันิจจำกัดตายตัวดิ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีเดียวบันทึกพิเศษทายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่สเรื่องจริมจิตจริมจิตจริมกจิตจริมวิญญาณจริมกัดวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันคือแปลว่า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 และจริมะจิตมีใช้มากขึ้นบางแห่งกําหนดเอาการบรลุอนุปาทิเศ ส, สนิพานด้วยการดับจริมะจิตพร้อมกันนั้นก็กําหนดเอาการมลุสัพปาทิเศ ส, สนิพานหรือเริ่มดํารงอยู่ในสัพปาทิเศ ส, สนิพานด้วยการมลุอราตะผลอันหนึง่งพึงสังเกตว่าในคัมภีร์ฉบับอักษรไทยจริมจิตและจริมวิ ญ, ญญาณจะใช้คําต่างกัน เป็นปริมาจิตและปุริมาวิญญาณที่แปลว่าจิตหรือวิญญาณที่มีมาก่อนและใช้คำอย่างนี้อยู่หลายแห่งแต่หลักฐานยันกันเองว่าที่ถูกเป็นจริมะเช่นในบาลีเป็นปุริมะแต่อัรถกถาอธิบายความตรงนั้นเป็นจริมะข้อความเดียวกันอยู่ในคำพีโคลเล่มเล่มหนึ่งเป็นปุริมะแต่อีกเล่มหนึ่งเป็นจริมะเป็นต้น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 ซ่อนอยู่เมื่อพระอาหารหันต์สิ้นชีพแล้วจึงเป็นแต่ภาวะอนุปาทิเศสนิพพานอย่างเดียว